เรื่องพระสุธรรมเทระเมื่อพระศัสดาประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารคพระสุธรรมเทระความพิสดารว่าจิตตะคะเรหะบดีในมัชิกาสันธนาครเห็นพระมหานามเทระหนึ่งในปัญจวัคคีเที่ยวบินทบัตอยู่ได้นิมนต์เข้าไปสู่เรือนฉันพัดแล้วสดับธรรมกะถาบรรลุโซดาบัน ถวายอุทยานของตนให้เป็นสังฆารามชื่ออัมพาตกะวันมอบถวายแล้วลังน้ำสู่พื้นมหาปตพีธรณีก็หวันไหวด้วยบอกเหตุว่าพระพุทธศาสนาตั้งมั่นแล้วขรหาบดีได้ให้สร้างวิหารใหญ่ในอุทยานสำหรับภิกษุผู้มาจากทิศ ท, ทั้งปวงต่อมามีพระสุธรรมาเทระได้เป็นเจ้าอาวาส พระอัครส า, าวกทั้งสองได้สดับกรถาพันนาคุณของข้รือหบดีไพรทําความสงเคราะห์แกข่ขฤหบดีนั้นจึงได้ไปสู่มัชชิกาสันธนาคนจาริตตะกฤหบดีได้นิมนต์ไปสู่วิหารฟังธรรมแล้วบรรลุอนาคามิผลแล้วนิมนต์ให้รับบาตวันรุ่งขึ้นแล้วไปนิมนต์พระสุธรรมเทระภายหลังพระสุธรรมเทราโกรธ ด้วยข้าระหบดีนิมนต์ตนภายหลังรุ่งช้าพระสุธรรมมาเทระไปสู่เรือนแต่เช้าตรู่กล่าวเสียสีข้าระหบดีโดยกล่าวว่าข้ารหบดีสการะของท่านล้นเหลือแต่ขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือขนมแดกงานันอาวาสของท่านเราไม่อยู่เราจักไปข้อนี้ชื่อขนมนั้นเป็นสำนวนของอินเดียเขาเป็นการแดกดันหรือเป็นการด่าทางอ้อมนะครับ ขรหาดีห้ามแล้วอ่อนวอนแล้วถึงสามครั้งแต่พระสุธรรมะเทระโกรธแล้วไปแล้วสู่สำนักของพระสัสดากราบทูลคำที่จิตตะขระหาดีและตนกล่าวแล้วพระสัสดาตรัสว่าอุบาสกเป็นคนมีศรัทธาเลื่อมใสอันเธอด่าแล้วด้วยคำเลวดังนี้แล้วทรงปรับโทษสั่งให้สงลงปฏิสารณียกรรม อันเป็นกรรมที่ให้ระลึกถึงความผิดและให้ไปขออดโทษต่ตออุบาสกครั้นพระสุธรรมเถระไปเล้วกลับมาแล้วกราบทูลว่าอุบาสกไม่ยอมอดโทษให้พระบรมศาสดามีพุทธประสงค์เพื่อให้คลายกระด้างเพราะมานะจึงไม่ส่งบอกอุบายให้อดโทษรัสว่าจงไปสู่ทางส0สบโยชแล้วจึงกลับมา ครั้งที่สองนี้พระบรมศาสดาได้ประทานภิกษุทูตแก่เธอผู้นำมานะคือความถือตัวออกแล้วให้อุบาสกอดโทษทรงตรัสว่าธรรมดาสมณะไม่ควรทํามานะหรือริษยาว่าอาวาสของเราวิหารของเราที่อยู่ของเราอุบาสกอุบาสิกาของเราเพราะเมื่อสมณะทําอย่างนั้นเหล่ากิเลสมีริษยาและมานะการถือตัวเป็นต้น ย่อมเจริญแล้วตรัสเป็นพระคาถาว่าภิกษุผานพึงปรารถนาความยกย่องอันไม่มีอยู่ความเป็นใหญ่ในอาวาสการบูชาในตระกูลแห่งชนอื่นความดำ m ริย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ผานว่าเขาฤ ห, หัสและบัรพรปชิตทั้งสองจงสำคัญกรรมอันก็ททำเสร็จแล้วเพราะอาศัยเราผู้เดียวจงเป็นไปในอานาจของเราเท่านั้นในกิจน้อยใหญ่ กิจไรๆ ร, ริศยาและมานะย่อมเจริญแก่เธอพระสุธรรมเทระฟังพระโอวาทแล้วถวายบังคมพระศาสดาลุกขึ้นกระทําประทักษิณและไปกับภิกษุอนุโทษนั้นกระทําคืนอาบัติในคลองจักสุของอุบาสกอย่างอุบาสกให้อดโทษแล้วตั้งอยู่ในพระโอวาทที่ทรงประธานแล้วโดยสองถึงสมวันเท่านั้นก็บรลุพระอรหันต พร้อมปฏิสัมพิทาฝ่ายจิตตะครหบดีคิดว่าควรไปเฝ้าพระสัสดาจึงให้เทียมเกวียนห้าร้อยเล่มมีงาข้าวเนยใสยน้ำอ้อยผ้าเป็นต้นแล้วกล่าวนิมนต์หมู่ภิกษุว่าถ้าประสงค์จะไปเฝ้าพระสัสดาจงไปจักไม่ลำบากด้วยบินทบาด ท, ทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอย่างละห้าร้อย ได้ไปแล้วด้วยข้ารหาบดีนั้นตลอดหนทางส0สโยนเพื่อชนสามพันคนไม่มีความบุกร่องด้วยพัดคืออาหารแม้น้อยหนึ่งฝ่ายพวกเทวดาทราบความที่อุบาสกนั้นออกไปแล้วปลูกข้ายที่พักไว้ทุกๆุหนึ่งโยนบำรุงมหาชนนั้นด้วยอาหารวัตถุมีข้าวของควรเคี้ยวพัดและน้ำดื่มเป็นต้นอันเป็นทิพย์ มหาชนอันเทวดาบำรุงอยู่อย่างนี้อาหารวัตถุต่างๆงของเขาฤหับดีในเกวียนห้าร้อยเล่มมิได้พร่องคงเต็มบริบูรณ์เช่นเดิมจนถึงกรุงสาวัตถีโดยเดือนหนึ่งพระสัสดาตรัสกับพระอนุนว่าบ่ายวันนี้จิตตะคะฤหับดีอันอุบาศกห้าร้อยล้อมแล้วจกมาไหวเราจะมีฝนแห่งดอกไม้ห้าสีอันเป็นดอกไม้ที่ จะตกด้วยทองแถวมีประมาณเพียงข่าวในประเทศประมาณ8กิโลเมตรชาวเมืองได้ฟังข่าวว่าจะามีปฏิหารเห็นปานนี้ได้ถือเครื่องบรรณาการยืนแถวต้อนรับสองข้างทางแน่นขนาดรั้นจิตตะคหาบดีเข้าไปเฝ้าพระสัสดาจับที่ข้อพระบาททั้งสองถวายบังคมแล้วขณะนั้นนั่นเองฝนดอกไม้มีประการต่างๆ ต, ต, ตกลงแล้วสาธุการพันหนึ่งเป็นไปแล้ว จิตตาเหบดีอยู่สิ้นเดือนหนึ่งถวายทานโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขวัตถุทานและสิ่งของมิได้พร่องทูลพระศาสดาขอที่เก็บของเหล่านั้นพระศาสดาทรงอนุญาตกับปิยภูมิโรองเก็บของแก่จิตตาเขหบดีเธอกลับไปแล้วด้วยเกวียนเปล่าพวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่างบรรจุเกวียนทั้งห้า้อยเล่มให้เต็มด้วยรัตนเจ็ดประการ ขรหาบดีนั้นได้บำรุงมหาชนด้วยบรรนาการอันเขานำมาเพื่อตนไปแล้วพระสัสดาทรงตรัสกับพระอนุนว่าจิตตาขรหาบดีนั้นแม้จะมาสู่สำนักของเราหรือไปสู่สำนักอื่นก็ดีสักการะาย่อมเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะอุบาสกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสมีศีลบริบูรณ์ไปสู่ประเทศใดๆ ลาบสักการะย่อมเกิดแก่เขาในประเทศนั้นๆทีเดียวแล้วทรงตรัสพระคาถาว่าผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภคะไปประเทศใดๆย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้วในประเทศนั้นๆทีเดียวพระศาสดาทรงตรัสบุปกรรมของจิตตะคารหบดีว่า สมัยพระพุทธเจ้าชื่อปฐุมุตตระท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์สิ้นแสนกลับในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามกัสปะเกิดในสกุลของพรานเนื้อถึงความเจริญแล้ววันหนึ่งเมื่อฝนตกอยู่ถือหอกไปสู่ป่าเพื่อล่าเนื้อเห็นภิกษุรูปหนึ่งคิดว่าจากนั่งทำสมณธรรมจึงรีบไปสู่เรือนเพื่อ น, นาอาหารมา จึงเรือนสั่งคนหุงข้าวปรุงอาหารปิ้งเนื้อเห็นภิกษุเที่ยวบินธบาตนิมนต์ให้นั่งแล้วสั่งคนให้อังคาตคือถวายพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นแล้วเอาอาหารใส่ตระกาถือเดินไปเลือกเก็บดอกไม้ต่างๆระหว่างทางห่อด้วยใบไม้ไปสู่ที่พระเถระนั่งแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านทงทาความสงเคราะห์แก่กระผมเถอ วินทบาทอันมีรถนี้พร้อมด้วยดอกไม้เครื่องบูชายัางจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีฉันใดขอบรรณาการพันหนึ่งจงมายัางจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีในที่ที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วฉันนั้นและขอฝนมีดอกไม้ห้าสีจงตกเขาบำเพ็ญกุศลจนตลอดชีพและเกิดในเทวโลกฝนดอกไม้ทิพตตกแล้วโดยท่องแถวประมาณเพียงเขาในที่ที่เขาเกิดแล้ว แม้ในการนี้ฝนดอกไม้ทิพย์ก็ตกในวันที่เขาเกิดแล้วและเมื่อเข้ามาในที่นี้การนำบรญนาการมาและการที่เกวียนเต็มด้วยรัตนเจ็ดประการเป็นผลแห่งกรรมนั่นแหละ